ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้สึกตัวกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพุทธพ์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 อั น, นีสคัญนะเราเคยสั่งสมอะไรไว้มากๆในอดีตเช่นว่าเราสั่งสมแต่เรื่องกรรมอกุิศลกรรมกิเลสที่เป็นฝ่ายบาปเอาไว้มากมายแล้วก็ไม่เคยที่จะสะดับตับฟังพระสัจธรรมเลยไม่เคยคบกัลยาณมิตร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 คบแต่กระยาณมิตรอันนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก้าวหน้าที่ลราเกี่ยวข้องกับเรื่องการสั่งสมว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสั่งสมอะไรไว้มากความเคยชินเก่าๆที่เราได้เคยทํามาในอดีตคําว่าอดีตเนี่ยเรามองใกล้ๆตัว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 อกุศลธรรมนั่นก็ดับไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาตอนเช้าจนทั้งหลับไปในตอนค่ำถ้าเราพยายามที่จะใส่ใจที่จะเจริญสติให้รู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยนี่เท่ากับว่าเราสร้างกุศลได้ทั้งวันเลยนะกลางคืนเราก็ทำได้เราหลับไปแล้วเนี่ยบางทีเรามีเวลาตื่นมาตอนกลางคืนตื่นมาปัสสาวะ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 ท่านธรรมวโทเนี่ยวัโสมนัตวลมิหารท่านได้แต่งไว้เป็นกรอนเกี่ยวเรื่องความรู้สึกตัวไว้อย่างไพเราะเพราะพิ้งไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมสุดลำเลิศก่อให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไปทำอื่นใดหรือจะสู้ ความรู้ตัว